you <laughs> ใครไปดูก็ฝึกปาโลมานะเราเห็นแล้วว่าอ่าปาโลมาแล้วก็ผู้ฝึกปาโลมาเราจะดูว่าทําไมปาโลมามันจึงแสดงได้ดีมากเราดูแล้วเราคิดว่าปาโลมาเก่งหรือคนฝึกปาโลมาเก่งปลาโลมาเก่งหรือผู้ฝึกเก่งที่เมืองไทยนะเขามีการฝึกเสือ ตโลมาตัวเล็กๆโอ้มันเชื่องใช่ไหมมันไม่ทำร้ายคนแต่ฝึกเสือเนี่ยเสือตัวใหญ่แบบคนสองเท่าไปดูเขาเขาโชว์โชว์การแสดงกับเสือเสือตัวใหญ่แบบคนเนี่ยสองเท่านะเข้าไปในกรงทั้งหลายตัวอยู่ในกรง<อ>เนกรงใหญ่เลยนะเขาให้เสือเนี่ยนั่งให้เป็นระดับให้เป็นระเบียบข้างๆห<อ>น้าโบก้ยอีเลยนะ เขาจะอาตัวแสดงแสดงเนี่ยเขาจะดึงมาทีละตัว<ม>เรียกว่าทีละตัวเขาโชว์การเต้นลำกับเสือนะข <c oughs> องฐานหน้าเสืออยู่นี่เนี่ยแล้วหัวเสืออยู่บนหัวคนอย่างเงี้ยนะงับกันอยู่ <คน S 1> อยู่ <คน S 1> ตรงนี้แล้วก็ให้อาหารเสือก็คาบแล้วก็ให้เสือมันกินอาหารจากป่าไอ้โกงเล็บเนี่ยใหญ่ยยก็ น, น้าคนดีนะมันอ้าป่าที่มันงับหัวคน<อ>สบาย เขาฝ<ร>ึกสสเสือให้เต้นลำแล้วก็ให้เสือร อ, อดพุ่งรอดห่วงไฟโอ้ฝึกปรมาชนเด็กๆผมก็เห็นว่าโอ้นี่เสือเนี่ยมันถูกฝึกได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเสือเก่งนะคนฝึกนะเก่งผมก็รอดูจนกระทั่งผมประทับใจมากชอบดูนี่ทาไมเขาฝึกเสือได้อย่างไรเขามีวิธีการฝึกอย่างไรต่อที่ดุร้ายที่สุดเนี่ย เขาฝึกให้มันเชื่องให้มันเชื่อฟังเดยไงเกิดความสงสัยมันก็อยากจะรู้นะผมก็รอจังหวะพอเขาโชว์เสร็จแล้วคนก็จะทยอยไปผมก็รอเป็นออกเป็นคนสุดท้ายมรอเพื่อจะคุยกับคนฝึกเสือะนะเพรามีเทคนิคฝึกเสืออย่างไงพอคนไปหมดแล้วเนยผมก็เรียกเรียกอับรกเข้าไปใกล้ๆ ก, กงองเพรนั้นเขาเสือออกไปแล้วนะ ผมไม่ใช่คนฝึกเสืออาจจะเป็นอาหารฝึกเพราะว่าถามว่าถามคนฝึกเสือว่าฝึกเสือนี่ยากไหมพเพราะว่าคิดคือมันก็ยากนะเอแต่เขาฝึกจนทํานานเนี่ยมันกลายเป็นของยากหรือกลายเป็นของง่ายเพราะตัวแรกก็คิดว่ายากเขาฝึกใหม่ในยากมากต่อไปเขาฝึกบ่อยเนี่ยเขาสื่ว่าเขาเนี่ยฝ<อ>ึกง่ายเพราะว่าเรา เทคนิคในการฝึกเสือเนี่ยฝึกอย่างไรผมไม่ได้ไปเรียนรู้เพ่อจะฝึกเสือนะในตัวผมมันมีเตืออยู่ผมต้ฝึกตัวผมถามว่าเ<ม>ทคนิคในการฝึก<ม>จาได้อยู่สามข้อหนึ่งต้องรู้จักธรรมชาติของเสือมันกินอย่างไรมันนอนอย่างไรมันชอบอะไรมันไม่ชอบอะไรต้องเข้าใจเสือ นี่กเรียกว่าการรู้จักเสือข้อที่สองคือต้องคลุกคลีกับเสือต้องเล่นกับเสือแกเราฟังนี่เราก็โอ้ยเล่นกับเสือเนะี่ยเล่นด้วยความชํานาญเล่นเหมือนอย่างกับเป็นเพื่อนกันเหมือนคลุกคลีกันเป็นเพื่อนกันเสือให้เราเป็นเพื่อนเราเห็นเพื่อนเป็นเสือเราเกอดเสือเสือเออกอดเราโอ้โหสนุกต้องเป็นแบบ น, นั้นคลุกคลีกันอันนี้ข้อที่สาม ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกจนชนานาญจนเสือมันเชื่องแล้วมันก็เคยชินเ<อ>ขาบอกเล็กมากคนนี้แต่ผมจําได้สามข้อสําคัญสำคั ญ, คญเนี่ยแต่ผมมีข้อหนึ่งอยากจะเติมไปแต่ผมไม่ทด้ได้คุยกับเขาก็เลยถามว่าผมถามเขามามถามจริงเนี่ยฝึกเสือก็ฝึกใจคนระหว่างการฝึกเสือกับฝึกใจของคนฝึกเสือเนี่ยคือใจเราเองเนี่ย อันไหนฝึกยากกว่ากันเขาก็มองหน้าผมาว่ามันทาไมมัอนอย่า ง, งมองหน้าสงสัยว่าทาไมถามอย่างนี้แล้วเขาก็ตอบได้อย่างยอมแพ้ว่าฝึกใจยากกว่าเสือในตัวเราเนี่ยคือใจเรา<ม>ต้องฝึกมันให้ได้ฝึกมันให้เชื่อต้องรู้จักธรรมาชาติของใจเรียนรู้เรื่องจิตต้องรู้จักธรรมาชาติของจิต<ม>ให้ได้จิตมีหน้าที่อะไร จิตมันแสดงการอะไรบ้างจิตมันแน่นอนไหมมันต้องเรียนรู้เรื่องของจิตโดยทฤษฎีและต้องสังเกตบ่อยๆสังเกตบ่อยๆต้องคอยสังเกตดูใจสังเกตดูใจเป็นการฝึกเป็นการทำให้เกิดการเข้าใจการเชื่องกันต้องขยันบางทีใจมันคิดไม่ดีเราก็ต้องเรียนรู้มันเวลาใจมันคิดดีก็ต้องเรียนรู้มัน สิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็ต้องเรียนรู้มันทั้งส่วนที่ชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยเราต้องรึกที่จะเรียนรู้รู้จักรู้จักมันเข้าไว้มันนี้ข้อหนึ่งผู้อยากจะเติมไม่ทันได้เติมให้กับคนฝึกเสือเนี่ ย, นน เ, ยเติมให้ตัวเราก็ได้พ่อนี้สำคัญมากนะงานทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยถ้ารู้จักข้อนี้เนี่ยมาในการฝึกได้สำเร็จไปครึ่ง น, นึ่งอี่ก็หมายถึงว่า ให้ทําเล่นๆฝึกเล่นๆอย่าไปหวังผลอะไรมันยากอยู่ที่การคาดหวังในผล <'s> แต่การฝึกเนี่ยมันง่ายพอเราหวังในผลปับล๊บเราก็ต้องเคร่งเครียดเพราะกลัวมันจะไม่ได้ผลเอาความอยากที่จะได้ผลออกซะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกอย่างเดียวเราจะทําอย่างสนุกแล้วก็ทําแบบเล่นๆแบบสบายๆเลย ทำเล่นๆคือการทำแบบไม่คาดหวังในผลก็พวกเราในเรียนหนังสือลู้เครียดพร อ, อะไรรู้ว่าพออยากสอบให้ผ่านอยากเก่งอยากเรียนให้จบพรอยากในผลทั้งหมดมเลยการเรียนจริงเคร่งเครียดมากมผลมันอยู่เรื่องอนาคตผลมันอยู่ที่จุดหมายปลายทางตรงโน้นแต่ตรงนี้ต้องทำให้ถูกต้องก่อ น, นให้สมบูรณ์ก่อน คือการตั้งหน้าตั้งตาเรียนขยันเรีย น, อ, นอ่านหนังสือรับผิดชอบตัวเองเอาตรงนี้ก่อนเราจะสนุกเราจะไม่เครียดทาจากปัจจุบันเพื่อไปสู่อนาคตอย่าไปย้อนอนาคตแล้วดึงมาปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องจริง อ, อยากจะไปถึงอนาคตได้ไวจะต้องทําตรงนี้ให้สมบูรณ์ให้ไวให้มากที่สุดให้ชำนาญ<ะ>ที่สุดเราจะสนุกเราจะมีความสุขกับการเรียนหนังสือของเราในปัจจุบัน มันได้ผลอยู่แล้วที่ปัจจุบันพอไปถึงอนาคตเราก็ได้ได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตถ้าเราโมจะเครื่องเครดว่าเมื่อไหรจะสาเร็จเมื่อไหรจะเรียนดีเมืม่อไหรเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้อนาคตก็ไม่ได้<ม>เลยพลาดทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่ได้อะไรเลยก็มีนะสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเอาไปใช้ชนในชีวิตประจาวันได้สบายเลย ถึงเริ่มฝึกจากปัจจุบันว่าให้รู้สึกพลิกมือรู้สึกได้ทั้งเหตุทั้งผลยกมือรู้สึกมันก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วจบลงอยู่ที่ความรู้สึกของจริงอยู่ที่ปัจจุบันเรื่องจริงชีวิตจริงอยู่ที่ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องอนาคต<อ>นั่นมือความฝ่ายฝันความ <c oughs> เพ้อฝันถ้ามีปัจจุบันปับเท่ากับมีสติเรียบร้อยแล้วถ้ามีปัจจุบันก็มีพิพิธสาเรียบร้อยอยู่ในตัว ถ้ารู้สึกถ้าอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องสติมันมอยู่แล้วในตัวมันเองถ้ามีสติมันก็ต้องมีปัจจุบันเป็นของคู่กันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันการปฏิบัติที่ถูกต้องการเรียนที่ถูกต้องคือการทำที่เหตุให้สมบูรณ์แล้วก็ทำให้ชำนาญการที่ฝึกยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้คือแบบฝึกเป็นอุบายเป็นวิธีการไม่ใช่เป็นตัว ไม่ใช่เป็นตัวสําคัญอันนี้คือวิธีการเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยเป็นรูปแบบเพื่อให้มันเข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นสิ่งภายนอกแต่สําคัญที่ใจเรามีความรู้สึกไหมเท่านั้นเองนั่นคือแบบฝึกแบบฝึกหัดเมื่อเราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ต้องการมหาวิทยาลัยเราต้องการความรู้ตางหาก เราไปติดแต่ชื่อมหาวิทยาลัยติดจิตที่รูปแบบเครื่องแต่งกายมันไม่ใช่ของจริงชื่อมหาวิทยาลัยรู้หรูแต่งตัวขึ้นแบบสวยๆแต่ไม่มีความรู้เลยไม่มีประโยชน์อะไรกก ร, รูปกรรมกรเนเบอร์แบกบข้าวสารแบกบค่าแบกของแต่เขามีประสบการณ์อันนั้นคือมหาวิทยาลัยชีวิตเราต้องรู้นะว่าอันไหนเนื้อหาใจความสาคัญที่เราต้องไปฝึกก็คือเรื่องของจิตใจล้วน ถ้าไม่มีรูปแบบยกมือแบบเนี้ยเราจะไม่รู้จักจิตใจเราเลยเราต้องอาศัยรูปแบบทิ้งกันไม่ได้เมื่อเราจิตเราดีแล้วเข้าใจตัวเราเนี่ยรูปแบบนี้ไม่จําเป็นเข้าใจนะบางคนไม่ค่อยชอบใจไม่ชอบโอ้ไอ้ไม่ชอบใจอ่ะไม่รู้จักใจเราว่ามันกําลังไม่ชอบอะไรมันเป็นอุบายถ้าเราเห็นความไม่ชอบใจเนี่ยเห็นใจเราแล้วล่ะเนี่ยแหะเป็นอุบาย มีไหมบางคนรู้สึกไม่ชอบเราเบื่อรูปแบบหรื อ, อใจเร า, าเบื่อเสืเอเสือกำลังดิ่งขัดขึน<อ>กลับมาดูใจเราอ้อ<ไ>อาศัยยกมือโอ้ใจเราเนี่เนี่ย เ, <อ>เห็นใจละใจมันคิดไอความคิดอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นไอความรู้สึกอยู่ไหนใจอยู่ตรงนั้นไอที่ชอบใจมีบ้างไหมเมื่อกี้เนี่ย เรารู้ทันไหมหรือชอบใจแล้วกับทำใหญ่เลยไม่รู้่าชอบใจอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เมื่อยไมแล้วไม่ชอบใจก็ตรงนี้ต้องให้เรารู้ตรงนี้เป็นอุบายเรากลับมารู้ใจรู้ใจนาทีนี่นแค่อุบายถ้าผมเดินได้เนี่ยผมต้องใช้รถเข็นไหมผมใช้เป็นแค่เครื่องช่วยแต่ถ้าผมเดินได้เนี่ยผมไม่ต้องใช้หรอกเนี่ยยกใครใครก็ไม่เอาหรอกรถเข็ น, นะมันไม่เท่ เราต้องจาเป็นต้องใช้เราต้องใช้แบบเดินด้วยล้ อ, อมไม่งอขาไปด้วยล้อไม่งอขา <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะชีวิตของเราทุกคนเนี่ย <c oughs> เรียนเก่งความรู้ดีความสามารถในการทำงานดี <c oughs> ยังไม่พอนะยังไม่พ้นทุกนะ <c oughs> ยังหา <c oughs> ความสุขไม่ได้กว่ามีนะ <c oughs> <c oughs> ความรูด้ดีความสามารถดีนอนไม่หลับก็มีนะเป็นบ้าเป็นโรคจิตประสาทก็มีนะฆ่าตัวตายก็มีนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาฆ่าตัวตายเยอะนะมันต้องมีอันที่สามอีกอันอยากรู้ไหมไหนลองยิ้มให้ดูสิ mm hmm. เอค่อยบอกกันได้บา ง, งั่งเครียดปต้องมีสติปัญญาดีด้วย แต่ถ้าม hmm, ีสต ok. ิปัญญาดีเนี่ยจะใช้จะใช้ความรู้อย่างมีความสุขจะใช้ความสามารถในการทํางานอย่างมีความสุขสติปัญญาตัวนี้ต้องมาจากอิมารุโกจะถามอะไรไหมเขาเคยเรียนอาจารย์อาจารย์เนี่ยเขาเอออาจารย์เขาคือส่งเมตราแล้วก็เมตราแลเมตราแล้วก็บางโก้เขาก็ในอนาคตอยากจะ ช่วยเหลือคนที่มีพี่มีปัญหาอก็แต่มักจะคนไข้ก็มักจะคิดว่าคนอื่นคิดว่าจะตัวเองไม่มีสิทธิรับความเมตตาจากคนอื่นอย่างเงี้ยก็ถ้ามีคนไข้เจอกลุ่มแบบนี้ก็ทํำยังไงดีละกันจะช่วยเลืออยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตัวเองช่วยเลืออยากช่วยแล้วก็มีเมตตาแต่ว่าคนนี้ก็คิดว่าจะตัวเองไม่มี ไม่มีสิทธิไม่มีสิทธิ์ของรับเมตตาฉากของเนี้ยว่าตระยานจะมาทำอย่า ง, ง, างาไรดีครับถ้าช่วยไปสิเราช่วยไปในการทําเหตุนะแต่ถ้าหวังให้เขารับเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่หรอก<ม>ต้องมันคนละตอนกัน<ม>เราอยังช่วยแเราก็ช่วย<ม>เห็นว่าคนนี้สมควรช่วย<ม>และเขาเปิดใจนะ<ม>เปิดใจที่รับความช่วยเหลือก็<ม>อช่วยไปไปก็จบ<ม> จบลนที่การช่วยเหลือของเราส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของอนาคตทุกครังที่ผมพูดทําให้ใครฟังผมพูดด้วยความเมตตานะยายเขามีความรู้ยายเขามีความสุขยายก็พ้นทุกถ้าผมพูดด้วยความมีเมตตาเนี่ยผมจะไม่ประมาทจะพูดได้อย่างสบายๆอย่างวันเนี้ยผมพูดด้วยเมตตาตั้งใจพูดอย่า ง, างเต็มที่มันหมดหน้าที่ผมแล้ว ผมก็เคยหวังว่าคนนุ่งจะเข้าใจพันนี้จะสนใจไม่เคยสนใจเลยผมเตรียมตัวมาตั้งนานเตรียมตัวมาตั้งหลายเดือ น, นเนี่ยตั้งแตบบ่อาจารย์มยัตโยบอกว่าจะมาญี่ปุ่นมาพบ ก, กับนักศึกษาเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวจะมาพูดอย่างนี้แหละพอเตรียมมาถึงปับ๊บวันนี้ผมก็พูดเนี่ยเริ่มต้นแต่เช้าเนี่ยตนนื่นกี่โมงแล้วถามเนี่ยตีสี่ตีห้าตื่นมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมเนี่ยพอพูดเสร็จปับ๊บ หนึ่งชั่วโมงมันหนาวมันพูดไปไหวก็เราไปนอนห่มผ้าแล้วก็เอาผ้าออกลุกมาพูดต่อเนี่ยนี่พูดดีกว่ามเมตตาไม่ได้หวังผลอะไรว่าเราจะได้รับความรู้หรือไม่มันเป็นเรื่องของพวกเราอตอเรื่องผมคือให้ให้ทําด้วยความเมตตาอย่ามีความทุกข์ ที่มันเป็นทุกเพาะว่ากลัวทําไม่ดีกลัวเขาจะไม่ได้รับผลกลัวทํา ม, มันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือจบแล้วไม่เข้าใจเขาว่าเขาอยากช่วยใช่ไห ม, อ, มอยช่วยคนคนนั้นแต่คนนั้นคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมทาไมต้องมีสิทธิ์เขาไม่สมควรไม่สมควรรับ ความหมายเป็ตัวเาที่รับความเมไม่สมควรแต่รับความเมตตาคิดยังไม่ใช่สติไม่ได้ไม่สมควรต้องมีไลฟ์สืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สมควรคือถ้าคนแบบนี้เขามีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเราช่วยไปถ่าการช่วยบ่อยเนี่ยทำไมเขาเขาใจจะรู้เองว่าอ๋อเาจะเปลี่ยนวิธีคิดเขาเลยเมื่อมีคนมาช่วยเขาจะมีความสุขตอนนี้เขามีอาการน้อยใจอาการน้อยเนื้อน้อยใจ ก็คนนับใช่ไหมครับแต่คนน้อยใจเขาเป็นคนที่เป็นคนที่แย่มากแย่มากเขาไม่อยากเขาไม่มีสิทธิ์รับของใครมันเป็นความคิดที่มันน้อยใจแต่ถ้าเราช่วยไปเนี่ยมันก็จะได้กันไหมผมก็เคยเป็นมน้อยใจไม่อยากให้เราคงไม่มีสิทธิ์อะไรต่างเนี่ยพอมีคนมาช่วยเราช่วยด้วยความเมตตาเนี่ยมันมีเสน่ห์เมตตาเนี่ยมันเป็นกุศลเป็นบุญ เป็นธรรมะฝ่ายที่บวกพอได้รับมาไมตตาบ่อยๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเข้าใจมากขึ้น <c oughs> เพราะความเมตตาเนี่ยไม่มีพิษมีภัยกับใคร <c oughs> เมตตาไม่ใช่วาสบิดนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ <c oughs> แต่เมตตาไนี่ชอบ <c oughs> ทุกคนเลย <c oughs> เพราะมันใกล้เวลาอาหาร <c oughs> ก็เลยต้องวาสบิด <c oughs> ที่มาเนี่ย ที่มาฟังแล้วก็มาปฏิบัติเนี่ยถามสรุปไว้ข้อเดียวว่ามีความรู้สึกตัวมากหรือมีความหลงลืมตัวมากใครมีความหลงลืมตัวมากยกมือรู้ไม่ถังใช่ไหมค ะ, ะคนที่รู้ไม่ถ่างใช่ไมาคิไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวไม่มีสติอันนี้ว่ะเรามีสติมา ก, กมีสติน้อยอันไหนมากกว่ากัน อาสองอย่างเนี่ยใครไม่มีสติยกมือแจกนเลยไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีสติมากคือตัวนี้มากไม่มีสติมากนใครมีสติมากกว่าหาสติสรุปแล้วนะทุกคนมีสติหมดแหละเพราะเรามีสติเราจึงรู้ว่าเราไม่มีสตินะเพราะเรามีสติจึงรู้ว่าอ๋อเรามีสติ ตรงนี้ต่างหากคือการรู้สึกตัว